เรื่องหลวงพ่อสังวานนำสิทธิ์มาพบพระผู้ประเสริฐโดยน้ำฝนพยาบาลศิริราชน้ำฝนพยาบาลคนหนึ่งในคณะที่ออกไปช่วยแจกผ้าป่าช่วยชาติได้เล่าว่า ก่อนออกไปแจกพ้าป่าที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีซอสุนิสาซึ่งเป็นคนหนึ่งในคณะทั้งหมดได้ฝันว่าพระหลวงตามาที่บ้านบนชั้นดาดฟ้าซอสก็บ่นให้หลวงตาฟังว่าเหนื่อยจังเลยพระหลวงตาเลยเป่าหัวให้พอวันต่อมาก็พากันเดินทางไปแจกพ้าป่าโดยคณะที่เดินทางไปมีคุณหงสีสมอนหมวยและซอสุนิสา มุ่งหน้าไปยังวัดป่าน้ำตกที่สุพรรณบุรีขณะที่เดินทางไปนั้นเองรถได้พลิกควม่มทำให้ทุกคนสลบไปชั่วขณะต่อมาพอได้สติซอสุนิสาก็คลานออกมาเป็นคนแรกทั้งที่หัวแตกเลือดไหลนองหน้าเต็มไปหมดมีผู้คนผ่านมาแต่พอเห็นหน้าซอก็พากันวิ่งหนีหมดไม่กล้าช่วยเพราะหน้าตาของซอแตกยับเต็มไปด้วยเลือด หลังจากนั้นที่เหลือก็ค่อยๆคลานตามกันออกมาทีละคนจนหมดเมื่อทุกคนหันมามองซ้อเห็นหัวซ้อบวมโหนเท่าบาทเลยเรื่องเนี้ยทุกคนที่เห็นยืนยันเหมือนกันหมดส่วนน้ำฝนนั้นกระดูกขาแหลกละเอียดจนทุกคนคิดว่าต้องตัดขาอย่างแน่นอนเพราะผลเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกขาแตกหมดส่วนคนอื่นก็บาดเจ็บกันทั่วหน้าแต่ไม่มีใครตาย ทั้งนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คุ้มไว้แล้วมีหวังตายกันหมดเพราะรถที่พลิกคว่าคันนั้นพังยับเยินหมดมีคนให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าขณะที่รถแล่นไปนั้นในมือซ้อมีทั้งมีดทั้งไม้ปลายแหลมซ้อกกำลังนั่งผ่าไมา้อยู่ในรถส่วนคนอื่นก็ง่วงหลับกันเป็นแถวรถคันที่ตามหลังมาช่วยเหลือบอกว่า เห็นรูปพระหลวงตาที่เอาไปด้วยตกกระจัดกระจายรอบรถไปหมดพักพวกที่ตามหลังมาต้องช่วยกันเก็บของที่กระจายเต็มถนนแห่งนั้นหลังจากเข้าโรงพยาบาลรักษาโตกันพักใหญ่ๆ ห, หัวโตวเท่าบาทของซ้อสุนิสาก็หดลงเท่าเดิมส่วนข้อเท้าน้ำฝนที่แตกละเอียดก็เชื่อมเข้าที่ดังเดิมราวปาฏิหาริย์ไม่มีใครต้องตัดหัวตัดขา ดังที่น่าจะเป็นไปตามรูปการเลยลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์อนาตกใจนี้จึงจดจำกันไว้อย่างไม่ลืมเลือนเลยว่าถ้าไม่มีพระหลวงตาคุ้มไว้แล้วพวกเราทั้งหมดคงไม่มีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอนหลังจากเล่าเรื่องอุบัติเหตุอนาอกสันขวันแขว น, นี้แล้วน้าฝนก็เล่าทวนความหลังอีกว่าปีแรกของโครงการช่วยชาติคนทำงานมีน้อย น้ำฝนจึงเขียนจดหมายไปยังวัดป่าบ้านตาดชักชวนกันออกมาช่วยกันทำงานซอสุนิสาเป็นคนหนึ่งที่อ่านจดหมายแล้วอยากช่วยทุกคนจึงนั่งรถเมย์มาสมทบกันที่โคราชเป็นการรวมทีมแจกผ้าป่าเป็นครั้งแรกและไปแจกที่วัดป่าสารวันของหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยซึ่งแม้ท่านละสังขารไปแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหายังคงมีศรัทธากับท่านเต็มที่ และได้พากันย้อนกลับมาช่วยงานพับ ป, ป่าครั้งนี้จนประสบความสำเร็จเต็มที่เช่นกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานและกลายเป็นงานอันยิ่งใหญ่ต่อมาในช่วงหลังซึ่งเต็มไปด้วยกระบวนการทำงานที่มีทั้งรถทั้งคนและอุปกรณ์ต่างๆมากมายน้ำฝนเล่าต่อไปว่าเมื่อปีพศ .2532 ตอนที่เข้าวัดป่าปีแรกๆนั้นตัวเธอเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสังวานเขมมโก วัดป่าน้ำตกหลวงพ่อสังวานพูดถึงคุณธรรมของพระหลวงตาเสมอว่าพระหลวงตาท่านเป็นพระอรหร100ันร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์องค์นี้ในเมืองไทยหาตัวจับได้ยากเพราะมีบารมีมากเหนือใครๆรฤทธ์ก็เยอะน้ำฝนจึงถามว่าหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรท่านก็บอกว่าให้ดูต่อไปจึงเกิดศรัทธาเดินทางมากราบพระหลวงตา พอมาถึงหลวงตาบอกให้ภาวนาในป่าบนแรคร่ใกล้ใกล้กุฏิพรสวรรค์ซึ่งอยู่ใกล้หลวงตามากที่สุดใครคิดอะไรพระหลวงตารู้หมดวันนั้นเดินจงกรมตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนึกถึงหลวงตาจิตแว บ, บออกตลอดพอสี่โมงเย็นท่านมาตรวจวัดน้ำฝนไปกวาดลานวัดหน้ากุฏิคุณแม่จันดี พระหลวงตาเดินมานั่งที่ศาลาในครัวคุณแม่จันดีให้เอาอาสนะมาปูให้ท่านนั่งพอน้ำฝนเข้าไปกราบท่านก็ถามว่าคนนี้หรอที่ชื่อน้ำฝนเหมือนหล่นจากฟากฟ้าแต่ภาวนาไม่เป็นสแตกเลยหมายถึงไม่ได้เรื่องเลยทาเอาหัวใจของน้ำฝนตกไปอยู่ที่ตะตุ่มท่านเตือนต่อไปว่าทีหลังอย่าส่งจิตออกนอกบ่อยๆพูดไปท่านก็ยิ้มไป น้ำฝนจึงรู้ว่าพระหลวงตารู้จิตของลูกศิษย์ทุกคนขนาดไหนหลังจากนั้นก็แอบไปร้องไห้เสีหลายวันกว่าจะตั้งสติได้ใหม่และคิดอยากให้หลวงตาเมตตาสอนให้น้ำฝนเล่าต่อไปว่าตัวเองมีแรงกระตุ้นจากหลวงพ่อสังวานมากท่านพูดถึงหลวงตาตลอดเวลาว่าหลวงตาท่านไม่ธรรมดาเหนือกว่าหลวงพ่อมากจนน้ำฝนสงสัยว่าทำไมจึงพูดถึงหลวงตาจัง หลวงพ่อสังวนก็บอกว่าต่อไปจะรู้เองเมื่อน้ำฝนไปกราบพระหลวงตาหลวงพ่อสังวนก็คอยถามถึงเสมอจนเมื่อโครงการพระป่าช่วยชาติเริ่มขึ้นน้ำฝนก็ไปกราบเรียนท่านหลวงพ่อก็บอกว่าจะช่วยข้างหลังนี่หละเพราะท่านป่วยแขนขาไม่ดีหลังจากนั้นท่านก็ฝากทองให้น้ำฝนไปถวายหลวงตาเสมอ ต่อมาน้ำฝนก็อยากให้หลวงพ่อสังวารจัดพระป่าช่วยชาติสิยทีเพราะเอาแต่ทองไปถวายอย่างเดียวหลวงพ่อสังวารทําบุญกับหลวงตาไว้มากและบอกน้ำฝนด้วยว่าบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญที่ทํากับหลวงตามหาบัวเสรษฐาที่พ่อแม่ท่านตายเสียก่อนไม่ทันองค์หลวงตาสิ่งที่หลวงตาทําทุกอย่างถูกต้องหมดท่านไม่สงสัยและไม่ให้น้ำฝนสงสัยทําตามหลวงตาให้หมดในที่สุด หลวงพ่อสังวานก็ดําริจัดผ้าป่าช่วยชาติถวายพระหลวงตาที่วัดป่าน้ําตกเขมโกขึ้นมาขณะที่ท่านกําลังป่วยนั่นเองแต่ไม่มีใครสนใจจะช่วยเลยน้ําฝนจึงเกิดความคิดขึ้นมาด้วยการเอาต้นผ้าป่าทั้งหมดใส่รถตู้และเอาเพลงพระหลวงตาเปิดกระจายเสียงไปตลอดทางและชวนแม่ชีให้ไปด้วยกันกรถินของวัดป่าน้ําตกเขมโกนั้น หลวงพ่อสังวารท่านตั้งใจจะทําถวายพระหลวงตาแต่ในระยะแรกไม่มีเงินเข้ามาเลยจนท่านต้องประกาศขายรถแบ็คโฮกับลูกศิษย์เพื่อจะนําเงินมาทํากรถินถวายพระหลวงตาพอดีคุณอุดมนงลักษ์ลูกศิษย์ของท่านนั่งฟังอยู่ด้วยจึงประกาศถวายเงินท่านหนึ่งล้านบาทเป็นเงินประเดิมที่จะถวายพระหลวงตาในงานกรถินในระยะนั้นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสังวารส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก หรือเข้าใจพระหลวงตานักแต่เมื่อหลวงพ่อท่านได้เริ่มแล้วลูกศิษย์จึงหันมาร่วมแรงร่วมใจทำงานถวายพระหลวงตากันเต็มกำลังความสามัคคีในครั้งนั้นจึงทำให้งานออกมาได้ผลเกินคาดนั่นคือสามารถหาทองได้ถึงสมกิโลกรัมและได้เงินถึงสองล้านบาทซึ่งไม่ใช่น้อยน้อยเลยทั้งปริมาณทองคาจานวนเงินและงานที่ขยายใหญ่โตออกไปโดยไม่ได้คาดคิดน้ำฝนจึงผูกพันกับพระเทระทั้งสองอ ง, องค์มาก รู้ตลอดว่าหลวงพ่อสังวานส่งคนและลูกศิษย์ทั้งมวลมาหาหลวงตามาร่วมช่วยชาติมาอยู่กับพระหลวงตามาปฏิบัติตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเพื่อจะได้พ้นทุกข์ตามกันไปในที่สุดน้ำฝนเล่าต่อไปว่าได้แจกพระป่าครั้งแรกที่จังหวัดนนทบุรีแจกได้เพียงเจดต้นตอนนั้นโครงการยังไม่เป็นที่รู้จักกว่าจะแจกได้แต่ละต้นลาบากพอสมควร ไม่เหมือนตอนนี้ที่พูดถึงพระป่าช่วยชาติแล้วไม่มีใครไม่รู้จักที่แจกได้มากที่สุดคือที่โคราชแจกพระป่าได้ 1,500 ต้นและได้กลับคืนมาโดยมีคนถวายเกือบร้อยเปอร์เซ็น์น้ำฝนกล่าวต่อว่าพวกเธอเป็นเพียงพยาบาลมีวันหยุดน้อยแต่พอมีวันหยุดก็ไปรวมกันอยู่ที่กองพระป่าของพระหลวงตาหมดพยาบาลที่ไปร่วมช่วยแจกพระป่านั้น มีทั้งพยาบาลจากโรงพยาบาลจุลาโรงพยาบาลตํารวจโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลวชิระนคนปรปฐมและโรงพยาบาลอื่นๆที่ผลัดกันมาช่วยตลอดและยังมีลูกศิษย์อาชีพอื่นๆมาสมทบช่วยกันอีกมากการแจกต้นพระป่านั้นทําทั้งทางบกและทางเรือโดยเฉพาะการแจกพระป่าทางเรือนี้แจกให้ประชาชนที่อยู่ตามริมคลองทั้งหลาย เรือวิ่งไปพร้อมกับเสียงเพลงปลุกใจให้รักชาติและช่วยชาติกับพระหลวงตาทำให้ชาวบ้านที่ได้ยินต่างพากันตื่นเต้นเป็นอันมากเรือแจกพราป่าจะวิ่งไปตามท่าเรือต่างๆและบ้านริมน้ำทุกหลังบางบ้านก็ส่งหมามาต้อนรับเล่นเอาต้องวิ่งหนีหมากันเป็นแถวหมาบางตัวไม่วิ่งออกมาก็ใช้คางเกยหน้าต่างกันทั้งคนทั้งหมามองดูขบวนแจกพระป่ากันอย่างสนอกสนใจ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือร่วมมือเป็นที่ประทับใจกับคณะแจกพระป่าเป็นอันมากชาวบ้านบางคนเก็บเงินเอาไว้นานมากกว่าจะควักแบงก์เก่าๆที่เก็บเอาไว้นมนานออกมาทําบุญได้ก็กินเวลาพอดูคุณยายคนหนึ่งสละเงินที่เก็บเอาไว้ในพกในหอหลายชั้นมีผ้าห่อเงินเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วรูดซิปปิดซ้ํากว่าจะรูดซิปเปิดกระเป๋าได้ แกะห่อผ้าเอาเงินออกมาติดพัาป่าถวายพระอรหันต์ได้ก็เป็นภาพที่คนแจกพัาป่าประทับใจไม่รู้ลืมมาจนถึงทุกวันนี้บทความโดยคุณน้ำฝนพยาบาลสิริราชเสียงอ่านโดยโจโฉ